บทที่44ศสิบเสียเพื่อนรักวัดสเกตจัดงานเจดีภูเขาทองในช่วงกลางเดือนส2องของทุกปีเมื่อนุ่งเจริญไฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์คีรรถไต่ทั้ง จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่กับอาจารย์เลื่อนผรโสพลขณะที่หนุ่มกันเชียงไปขอเรียนกับหนุ่มสํานวนในฐานะเป็นศิษวัดเดียวกันงานวัดปีนี้สองหนุ่มจะได้ออกงานเป็นครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับคุณกันเชียงหนุ่มเจริญถามเพื่อนคุณละ่ะนอกจากจะไม่ตอบแล้วเขายังย้อนถามคุณตอบมาก่อนสิเพราะผมถามคุณก่อน คนถามไม่ยอมก็ตื่นเต้นนะสิแต่ผมมีหวังอยู่ในใจของทั้งสองอย่างนะอย่างแรกผมจะได้มีเงินไปเที่ยวอุตรดิต์กับคุณปถมอย่างที่สองผมเขารู้สึกพูดไม่ออกด้วยความเก้อเขินหนุ่มจเจริญจึงพูดต่อคุณสายทานจะมาดูเห็นเธอเศร้าซีให้คุณประพ์ พามาดูในวันพระที่จะถึงนี้ใช่หรือเปล่าครับคนตอบรู้สึกเขินเขาลืมนางสาวม่วยแห่งบางม่วงหมูเสีสนิทก็คุณสายทานเธอสวยน่ารักแถมยังเป็นหลานสาวคุณหลวงจะว่าไปแล้วเธอก็คือดอกฟ้าขณะที่เขาเป็นได้แค่หมาวัดผู้คนมาออ ก, กันแน่นที่ปากทังไม้รูปวงกลม หนุ่มสำนวนจะแสดงเป็นคนแรกตามได้หนุ่มกันเชียงส่วนหนุ่มเจริญจะเป็นคนสุดท้ายที่หนุ่มน้อยต้องขอเป็นคนสุดท้ายเพราะถือคติหัวเราะที่หลังดังกว่าแต่เหตุผลที่อยู่ลึกๆในหัวใจก็คือกลัวตกเพราะนั่นหมายถึงความตายหนุ่มสำนวนขับรถเครื่องฉวัดเฉวียงตายถังไม้วนเวียนอยู่สามสีรอบ สาวน้อยที่ซ้อนท้ายปากแดงแจ๊นุ่งกางเกงขาสั้นจุ๊จูจนเห็นรอยเนื้อแตกเป็นริ้วๆที่โคนขาหล่อนโปรยิ้มให้กับคนดูมือข้างหนึ่งกอดเอวหนุ่มสํานวนอีกข้างโบกมือให้คนชมเมื่อรถเครื่องค่อยๆแล่นวนมาจอดกลางพื้นวงกลมเบื้องล่างสาวน้อยอุตส่าห์แงนหน้าขึ้นไปโบกไม้โบกมือ พร้อมส่งยิ้มให้กับผู้ดูซึ่งพากันรบมือเกลียวกาวรอบต่อไปเป็นของหนุ่มกันเชียงครั้งนี้ไม่มีคนซ้อนท้ายเพราะคนขับมือใหม่สาวน้อยจึงไม่กล้าเสี่ยงหนุ่มกันเชียงตรงไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่หนุ่มสำนวนจอดไว้กลางวงหนุ่มจเจริญมองอย่างหวั่นวาคิดว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงรอบของตนแต่แล้วหนุ่มน้อยก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นเงาของหนุ่มกัญเชียงไม่มีสีสันคิดว่าตัวเองคงจะตาฝาดไปจึงยกมือข้างหนึ่งขึ้นขยี้ตากระนั้นภาพที่ปรากฏก็ยังเหมือนเดิมคือเขามองไม่เห็นเงาหัวของเพื่อนรักกำลังช่างใจว่าจะบอกเพื่อนดีหรือไม่ก็พอดีหนุ่มกัญเชียงขึ้นนั่งคร่องมอเตอร์ไซค์เสียงโคลสกประกาศเจ้าแจ้วแนะนาหนุ่มน้อยหน้าใหม่ หนุ่มกันเชียงสตาร์ทเครื่องโดยใช้เท้าขวากระทืบกันสตาร์ทอย่างแรงบังเอิญหนุ่มสำนวนลืมปลดเกียร์ว่างทันทีที่เครื่องติดมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งทะยานขึ้นชนถังไม้เสียงดังสนัน่นแล้วก็ตกลงมากองที่พื้นร่างของหนุ่มกันเชียงร่วงพลอยลงมาพร้อมกับถูกรถมอเตอร์ไซค์ทับตรงคอพอดิบพอดี เสียงคนดูหวีดร้องด้วยความตกใจจากนั้นก็พากันโจดจันเสียงอืงนคนหนึ่งนุ่มเจริญได้สติก่อนคนอื่นวิ่งปราดเข้าไปที่ร่างของเพื่อนรักยกรถเครื่องออกโดยไม่รู้สึกว่ามันหนักเจ้าตัวไม่รู้เลยว่าเอาเรียวแรงมาจากไหน ยกรถออกแล้วจึงช้อนร่างของเพื่อนขึ้นศรีรษะหนุ่มกันเชียงห้อยไปพาดอยู่ที่ไหล่ตัวเองหนุ่มเจริญรู้เดี๋ยวนั้นว่า<ม>เพื่อนของตนคอหักตายแล้วเขาก็หมดความอดทนอดกลั้นชี้หน้าหนุ่มสำนวนที่ยืนตัวสั่นงันงกหน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณค่าเพื่อนผมคุณค่าเพื่อนผมพูดพรางร้องไห้อย่างไม่อายใคร ก็เอ็งอย่าทิ้งข้าไปนะอย่าทิ้งข้าไปเขาคร่ำครวนพรางกอดร่างไร้วิญญาณไว้แนบอกน้ําตาไหลพรากพรากราวกับทำนบพังโก้เรามาด้วยกันก็ต้องกลับไปด้วยกันข้าจะดูหน้าคนบางม่วงหมูได้ยังไงหากไม่มีเอ็งกลับไปด้วยพวกเขาจะต้องคิดว่าข้าพาเอ็งมาตาย พ่อกับแม่เองก็จะพากันโกรธเคืองข้าเองต้องไม่ตายนะโกนะหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เพื่อนรักต้องมาตายเพราะเขาหนุ่มน้อยยังคงรำพึงรำพันก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองอาจารย์เลื่อนบอกให้เขาแสดงต่อจากหนุ่มสำนวนแต่เขาขอเป็นคนสุดท้าย หนุ่มกันเชียงจึงต้องมามีอันตรายแทนผมจะฟ้องคุณโทษฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เพื่อนต้องเสียชีวิตหนุ่มสำนวนถูกค่าโทษอีกรู้ว่าตนเป็นฝ่ายผิดหากพูดไปก็ยิ่งเสียเปรียบจึงนิ่งเสียปล่อยให้หนุ่มน้อยว่าอยู่ฝ่ายเดียวอาจารย์เลื่อนเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นครูสอน ขับรถไต่ถังมาสิบกว่าปียังไม่เคยมีใครตกลงมาตายเพิ่งจะมีหนุ่มกันเชียงเป็นรายแรกว่าที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยว่าเหตุเกิดเพราะความเลนเลิกของหนุ่มสำนวนแต่ในฐานะเป็นเจ้าของจึงจำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งหมดเขาเริ่มเบื่อหน่ายงานอาชีพเสี่ยงกับความเป็นความตาย คุณงามเนธผู้เป็นภรยาเคยขอร้องให้เลิอกอาชีพนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่เขาดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังจึงต้องมาพบกับความหายนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะเลิกเลิกซยแต่วันนี้เลยอาจารย์เลื่อนสั่งให้โคศกประกาศของงดการแสดงอย่างกระทันหันโดวยว่ามีคนตายหากคนดูที่ซื้อตั๋วแล้วอยากจะได้เงินคืน ก็ให้นำตั๋วมาขอขึ้นเงินหรือถ้าใครไม่ต้องการเงินคืนก็ขอให้นึกซื้อว่าช่วยทำบุญให้ผู้ตายบรรดาผู้คนที่ซื้อตั๋วรอดูรอบต่อไปครั้นได้ยินประกาศโคโสกสต่างก็พากันสงสารนักแสดงหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นไม่มีผู้ใดมาขอเงินคืนแม้แต่รายเดียวหนุ่มเจริญโกรธแค้นคุณสานวนมากที่ทาให้เพื่อนของตนต้องเสียชีวิต จึงคิดที่จะฟ้องร้องฝ่ายนั้นให้ถึงที่สุดแต่ก็รู้ว่าหากทาอย่างที่คิดก็ต้องกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่อไปถึงอย่างไรเพื่อนรักก็คงไม่ฟื้นเคินชีพขึ้นมาได้ไม่ว่าเขาจะฟ้องร้องหรือไม่พลันก็นึกถึงคําพูดของลุงมันแท้ตั้งหมอจีนผู้ใจดีที่พร่ำสอนเขามาตลอดขณะที่พายเรือมาส่งที่บ้านอาติ ลุงจะสอนลื้อไว้ว่าอย่าได้ไปมีเรื่องกับใครเขามันเสียเวลาทำมาหากินยิ่งถ้ามีเรื่องถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลามากคนจีนเ็าถือนะเขาบอกว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไปกินขี้หม้าย่ังดีเสียกว่ามาบัดนี้เขาเริ่มจะเห็นด้วยกับลุงมันกว่าหนุ่มสำนวนจะเข้าคุกก็คงต้องใช้เวลานา น, าน และก็คงหมดเงินไปกับพวกหากินตามตีนโรงตีนสารกระนั้นก็ใช่ว่าเพื่อนเขาจะฟื้นคืนชีพมาก็หาไม่ทางที่ดีควรจะเจรจาหาทางประนีประนอมกับฝ่ายนั้นอย่างน้อยก็น่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งให้ในายลานกับนางบัวขายเอาไว้ทำทุนทั้งตัวเขาก็ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกับคนที่ฆ่าเพื่อน พระมหาแพ้วให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมสามคืนแล้วรอการเผาซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีขึ้นเมื่อใดเนื่องจากต้องรอให้นายลานบิดาคนตายเดินทางมาถึงเสียก่อนท่านได้มีหนังสือไปสามฉบับถึงสมภารวัดสัทธาพิยรมทิศพองและนายลานให้สมภารช่วยเทศปลอบใจบิดาในกันเชียงให้ทิศพอง พาในลานกับนางบัวไขมางานเผาศพและแจ้งสาเหตุการตายของนายกันเชียงให้สองผัวเมียรับรู้ในลานกับนางบัวไขโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักที่ลูกชายคนโตมาตายจากพากันร้องห่มร้องไห้ไปหาท่านสมภารที่วัดศรัท ธ, ธาพิรมและท่านก็เทศปลอบใจโดยได้รับหนังสือจากพระมหาแพลวก่อนหน้านี้ ที่สองผัวเมียจะมาถึงอาตมารู้แล้วว่าจะต้องไปตายที่บางกอกวันที่เขาเอาอาหารเพลนมาถวายอาตมามองไม่เห็นศีรษะเขาท่านสมภาร น, นึกถึงวันที่หนุ่มน้อยมาลาฮิวเป็นโตใส่อาหารมาถวายด้วยและทำไมหลวงพ่อไม่ทัดทานไว้ละ่ะปล่อยให้ลูกฉันไปทำไมนางบววขายต่อว่าตอขานพรางสะอื้นหั ก, หก ถ้าอาตมาทัดทานเขาจะเชื่อหรืออีกอย่างอาตมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะมาพิสูจน์ให้เขาเห็นก็ได้แต่แนะนำให้ก็มันไหว้พระสวดมนต์เรื่องของกรรมมันห้ามกันไม่ได้หรอกโยมท่านสมพานพูดตามความเป็นจริงถ้ามันไม่ไปเรียนที่บางกอกมันจะตายหมครับหลวงพ่อในลานถามบ้างไปหรือไม่ไปก็ต้องตาย เขาหมดอายุแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ต้องตายท่านสมภารตอบที่หมดอายุเพราะมันฆ่าไก่วันเดินทางใช่ไหมครับเป็นเพราะนางเมียมันโง่ใช้ให้ลูกฆ่าไก่หาเรื่องกับพระไม่ได้ในลานก็หันมาหาเรื่องกับเมียท่านสมภารจึงพูดไกล่เกลียว่าโยมอย่ามาฟืนฟ้นฝอยหาตะเข็บอยู่ทาไมละ่ะ รีบไปคิดกันว่าจะเดินทางไปเผาศพลูกยังไงเมื่อไรไม่ใช่มานั่งหาเรื่องกันอย่างนี้ผมไม่มีเงินเลยครับหลวงพ่อคงต้องขอยืมทิดพองและก็คงจะไปคนเดียวนางบัวไข่ต้องอยู่ดูแลลูกทั้งนี้อีกอย่างนึกได้ไม่ต้องเป็นหนี้เข้ามากไปสองคนเปลืองค่ารถค่าเรือและโยมไปถูกฤรเขาว่าบางกอกไม่เหมือนบ้านเรานะ ท่านสงภานเป็นห่วงผมก็ว่าขอให้ทิดพองพาไปไม่รู้จะต้องออกค่าเรือให้เขาด้วยหรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าไปเยี่ยมเจ้าแกรด้วยก็คงไม่มาคิดเงินกับผมโยมพองเขาเป็นคนมีเมตตานะคงไม่คิดเล็กคิดน้อยอย่างที่โยมวิตกรกรกอาตมาว่าเขาจะออกให้โยมด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็ดีรอ ผมจะได้ไม่ต้องกลับไปใช้หนี้เขาคนคิดเอาแต่ได้ว่าอย่างนั้นจริงดังที่ท่านสมพานพูดไว้ทิศพองได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหนุ่มกัญเชียงเป็นอย่างดีเพราะนอกจากได้รับหนังสือจากพระมหาแพลวแล้วยังได้รับของลูกชายซึ่งเขียนเล่ามาว่าหนุ่มกัญเชียงตายแทนตนหัวอกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรัก ทิดพองเข้าใจดีแม้ยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ตามด้วยความอนุเคราะห์ของทิศพองในลานจึงมีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่มางานเผาศพลูกชายเป็นการมาบังกอกครั้งแรกของเขาถ้าได้มาเที่ยวแทนการมาเผาศพลูกคงน่าตื่นเต้นมิใช่น้อยอาจารย์เลื่อนกับหนุ่มสำนวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยที่ในลานไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่สตางค์แดงเดียวพระมหาแพ้่มีลูกศิษย์ลูกหามากจึงมีผู้มาร่วมงานกว่าร้อยคุณประพ์กับคุณสายทานก็มาด้วยสาวน้อยรู้สึกสงสารผู้ตายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขากำลังดำเนินไปด้วยดีก็ต้องมามีอันพลัดพรากน้องสาวจากไปไม่ทันถึงปีคนรักก็ต้องมาจากไปซสอีก ช่างโชคร้ายอะไรเช่นนี้โชคร้ายเหลือเกินนุ่มเจริญซื้อโกดทองเหลืองให้ในลานใส่กระดูกลูกชายกลับไปบ้านทิศพองชวนเพื่อนบ้านให้อยู่ต่ออีกสองคืนเพื่อเที่ยวบางกอก บิดาหน่มกันเชียงซึ่งได้เงินช่วยงานถึงห้าช่างจึงไม่ขัดข้องเขาซื้อของไปฝากลูกฝากเมียหมดเงินไปหนึ่งช่างกระนั้นก็ยังเหลือเงินอีกสี่ช่างเพราะค่ากินอยู่และค่าเรือทิพองเป็นคนออกให้ทั้งหมดวันเดินทางกลับในลานจึงดูสดชื่นขึ้นเพราะนอกจากจะมีของฝากลูกเมียแล้วยังมีเงินถึงสี่ช่าง นางบัวขคงดีใจจนเนื้อเต้นจะได้หายจนเสตียเขาคิดวางแผนจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรจึงจะเกิดผลงอกเงยขึ้นมามิดานหนุ่มกันเชียงมีจิตริษยาเขาริษยาทิศพองคิดแข่งบุญแข่งวาสนากับฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้กระมังลูกชายของเขาจึงต้องมาตายแทนที่จะเป็นลูกชายของทิศพองพ่อแม่ ที่จิตใจดีคงจะมีผลดีมาถึงลูกพ่อแม่ที่จิตใจร้ายก็คงจะมีผลร้ายมาถึงลูกเช่นกันในลานมีจิตอกุศลหนุ่มกันเชียงจะต้องมีอันเป็นไปกำลังคิดอะไรอยู่ทิพผองทักในลานสะดุ้งย้อนถามว่าแกว่าอะไรนะข้าถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ท่าทางมีความสุขเชียวทิ์พองยา้าพอจะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เพื่อนบ้านมีอาการดังที่เห็นอยู่คนที่ลูกตายไปหยกหยกจะมีความสุขได้ยังไงสามีนางบัวขายพูดกลบเกลื่อนแล้วแซงตีสีหน้าเศร้าแต่แกก็ได้เงินช่วยมากโขเห็นซื้อข้าวของมากมายและมันคุ้มกับชีวิตลูกข้าหรือเปล่าล่ะ ในลานแท่งทำฉุนเฉียวกัวว่าทิศพองจะให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายรู้แล้วว่าไม่คมุ้มแต่ก็ยิงดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่หรือบางคนเขาเสียลูกแล้วยังต้องเสียเงินค่าทำศพอีกแต่นี่แกไม่ต้องเสียอะไรกลับได้มาตั้งมากมายที่ข้าพูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาขอส่วนแบ่งจากแกหรอกนะ แต่อยากให้แกสบายใจข้าไม่ใช่คนเอาเปรียบคนอื่นทิดพองด้วยรู้ว่าถูกในลานเอาเปรียบนี่ถ้าเป็นแม่ยายของเขาในลานคงไม่มีโอกาสทำแบบนี้เพราะคนชื่อจางแห่งบางม่วงหม่ไม่ยอมให้ใครเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ไม่เคยเอาเปรียบใครคนที่เก่งกาจฉลาดเฉลียวอย่างแม่ยายของเขาคงหาได้ยาก ในโลกตั้งแต่มีเรื่องกับหลวงตาวัดตโนดหลวงทาราก็ไม่ให้หลานชายไปเรียนดีศสีตีเป่ากับครูจำนงอีกความที่อยากเป็นแชมป์รถไต่ถังทำให้หนุ่มเจริญทิ้งดนตรีไทยชั่วคราวใช้เวลาหลังเลิกเรียน และวันหยุดไปเรียนขับรถไถ่ถังกับอาจารย์เลื่อนพรโสพลยังไม่ทันจะได้ออกงานหนุ่มกันเชียงเพื่อนรักก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอาจารย์เลื่อนต้องเลิกกิจการและหนุ่มเจริญก็เลิกฝันที่จะเป็นแชมป์รถไถ่ถังตั้งแต่บัดนั้นคุณปู่ครับผมอยากเรียนดีดสีตีเป่านอกจากครูจำนงแล้วคุณปู่รู้จักครูเก่งๆที่ไหนไหมครับ นมน้อยปลารบ ก, กับคุณปู่เป็นการปรารบที่หลวงทาราชื่นอกชื่นใจนะักเพราะท่านก็คิดอยู่ว่าจะให้หลานกลับมาเรีย น, นดนตรีไทยยังไม่ทันที่คุณหลวงจะตอบว่ากระไรคนเป็นหลานก็ถามขึ้นอีกผมจะขอเรียนกับคุณปู่ได้ไหมครับคราวนี้คุณหลวงรีบปฏิเสธทันทีไม่ได้หรอกหลานไม่ได้ อย่าให้ปู่ซ้อนเลยทำไมเหรอครับคุณปู่เคยบอกผมว่าแก่แล้วมือไม้สัน่นแต่ผมก็เห็นคุณปู่เล่นได้โดยเฉพาะเวลาตีระนาดผมยังไม่เคยเห็นใครตีได้ไพเราะเท่าคุณปู่เลยเขาพูดเอาใจคุณหลวงและความจริงก็เป็นเช่นนั้นด้วยปู่มีเหตุผลส่วนตัวนะจะบอกพ่อเจริญก็ได้ คือปู่ไม่อยากให้มีตัวตายตัวแทนถ้าปู่สอนพ่อจเจริญก็หมายความว่ามีตัวแทนแล้วถึงปู่จะตายก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ที่นี่ปู่ยังไม่อยากตายนะสิแม้อายุย่างเข้าปีที่เก้อก็ยังอยากอยู่ต่อไปอยากอยู่ให้ถึงร้อยปีหรือกว่านั้นนี่คือเหตุผลปู่ที่ปู่ไม่สอนพ่อจเจริญ หวังว่าคงเข้าใจที่ปู่พูดนะผมเข้าใจครับต้องกราบขออภัยที่เส้าซีคุณปู่เขากราบลงที่ตักหลวงทาราครั้งหนึ่งไม่เป็นไรหรอกหลานเอ้ยปู่คิดว่าจะหาครูให้พ่อเจริญได้เขาคิดค่าเรียนแพงสักหน่อยแต่ถ้าหลานตั้งใจเรียนปู่ก็ว่าคุ้มนะเขาคิดเท่าไรครับคุณปู่ เดือนละหนึ่งช่างแพงมากหนึ่งช่างหนุ่มน้อยทำตาโตด้วยราคาค่าเรียนนั้นแพงกว่าของครูจำนงถึงสิบเท่าใช่แล้วถ้าหลานอยากเรียนจริงๆปู่ก็จะส่งเรียนเงินทองปู่มีเยอะแยะขอให้ตั้งใจเรียนก็แล้วกันหลวงทาราพูดอย่างปรานีขอบพระคุณคุณปู่มากครับ นุมน้อยกราบผู้เป็นปู่อีกครั้งแต่บ้านเขาอยู่ไกลนะอยู่พญาไทยน น, น่ะทลานไปเรียนจะต้องไปอยู่บ้านเขาต้องหุงหากินเองคงไม่สบายมันอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับผมเคยลําบากมาตั้งแต่เล็กๆแค่นี้ผมทนได้และผมจะมาโรงเรียนยังไงครับก็นั่งรถรางมาหรือไม่ก็รถเมคขาวในเลิศ เรื่องนั้นไม่ลำบากอะไรเลยถ้าเช่นนั้นผมขอไปเรียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับเขาดีใจที่จะได้ไปจากบ้านนี้ตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องจนไม่อยากจะอ ย, ะอยู่ต่อไป <_ T> นี่กระมังที่คนโบราณท่านว่า <_ T> ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเอางั้นเลยลือ รอให้ปู่ไปทาบทามเขาก่อนดีกว่าเอาละปู่รับรองว่าจะจัดการให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้จะให้พอเปียมเข้าไปติดต่อให้เรียบร้อยเมื่อไรก็ไปได้เลยครูของผมมีชื่ออะไรครับครูสอนศิลปะบรนเลงหลวงทาราตอบได้ยินชื่อครูหนุ่มน้อยขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุ